สิบก่บปีก่อนมีโอกาสได้ไปประเทศปูธานได้มีโอกาสนะพบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนนะนอกเหนือจากพระพิสุสงฆนะ์ซึ่งนับถือนิกายวัชรยานมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะก็เรียกว่าระดับปลัดกระทรวงสูงมากนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ ยืมแย้มแจ่มใสนะอารมณ์ดีซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนั่งของคนภูฐานความรู้ท่านก็สูงนะพะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองนอกนะมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแต่ว่าก็มีความเป็นคนภูฐานมากเลยท่านรายการท่านนี้ก็พื้นเพลก็เป็นคนชนบทนะ แล้วก็คงจะได้รับการหล่อหลอมจากประเพณีวัฒนธรรมแบบพุทธเนี่ยโดยเพราะาวัฒนธรรมอย่างชนบทที่คงซึมซับไปเยอะเลยทีเดียวแล้วคิดว่าคนที่มีทิพย์ต่อราชการท่านผู้นี้เนี่ยคนนก็คือญานะ ถ้รารยการทนบุนี้ท่เล่าว่าเนี่ยตอนเป็นเด็กอายุประมาณสักส0ขวบก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะที่ประทัดใจในตัวย่ามากคือตอนนั้นเนี่ยเนี่ยมันมีหนูเนี่ยมามากวดมันชอบมาแอบกินข้าวเนี่ยในถุงในยุงเนี่ยก็กินมาเป็นเดือนแล้ว จนกระทั่งกลัวว่านี่มันจะออกลูกออกหลานยาก็เลยนะหาทางนะจับหนูตัวนี้โดยวางกับดักนะกับดักนี้ก็ทำ ง, ง่ายๆนะเอาข้าวก้อนหนึ่งมาวางไว้บนแผ่นกระดานแล้วก็เหนือแผ่นกระดานนกม็มีมีหม้อดินเผาเนี่ย ซึ่งถูกค้ำด้วยไม้นะสี่ไม้ประมาณสัก6นิ้วเนี่ย น, นึกภาพนะมีไม้ค้ำหม้อ ด, ดินเอาไว้ที่อยู่เหนือก้อนข้าวกระดังนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะจากเตาหุงข้าว เ, เด็กชายเนี่ยนะทุกเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมา ก็จะไปดูว่าเนี่ยหนูเนี่ยติด ก, กับดักหรือเปล่าแต่ว่าวันแล้ววันเล่าเนี่ยหนูนี่มันก็กับดักทำอะไรมันไม่ได้เลยนะมันสามารถที่จะไปคาบเอาก้อนข้าวโดยที่ไม่วิ่งไปชนซี่ไม้ เพราะว่าถ้าชนเนี่ยนะใน ห, หม้อหุงข้าวเนี่ยหม้อดินเนี่ยมันก็จะตกลงมาแล้วก็ครอบหนูเอาไว้เป็นกำดังง่ายๆแต่ว่าทุกวันเลยนะมันก็มาคาบเอาก้อนข้าวไปได้โดยที่ไม่เคยถูกกับดังที่ครอบเลยเพราะว่ามันไม่ไม่เดินไปชน ไม่บินไปชนสีไม้และที่น่าแปลกคือว่ามันไม่ได้มากินข้าวหรือคาบเอาข้าวไปตอนกลางคืนนะมันมาคาบเอาข้าวไปตอนเช้าตรู่ตอนที่ย้าเนี่ยเริ่มจะหุงข้าวเนี่ยพอตั้งไฟเนี่นะเอาละมันมาแล้วแล้วเด็กชายนี่ก็คอยดูนะว่า มันจะไอหนูเนี่ยมันจะไปชนสไม้หรือเ่านะแต่มันก็ไม่เคยชนสักทีนะสามารถเอาข้าวนี่นะกลับไปกินได้แล้วระหว่างที่หนูเนี่ยมันมาวิ่งวนรอบๆกับดักนะญ้าเนี่ยก็หุงข้าวรองที่ย่าหุงข้าวนี่ย่าก็ไม่สนใจเลยนะไอหนูตัวนี้ ย่าก็จดจ่ออยู่การหุงข้าวแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยขณะที่เด็กเนี่ยคอยลุ้นนะว่า เ, เมื่อไหร่เนี่ยมันจ ะ, ะถูกกับดักครอบสักทีแต่แต่ละวันแต่ละวั น, วนหรือแต่ละเชา้าแต่ละเช้าผ่านไปโดยที่เด็กนี่รู้สึกผิดหวังแต่ย่านี่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันคาบเอาข้าวไปว่าไม่เป็นไร นะกลางคืนก็เอาข้าวมาวางใหม่และตอนเช้าหนูมันข้าบไปอ่ะย่าไม่ว่าอะไรย่าก็เอาข้าวมาวางใหม่เป็นอย่างนี้อยู่สองสามวัทิศเนี่ยเด็กเนี่ยนะก็รู้สึกหงุดหงิดนะว่าทำไมจับไม่ละทีแต่ย่านี่เฉยเฉยดูมันจะไม่สนใจเลย แต่จะว่าไม่สนใจก็ไม่ได้นะเพราะว่าทุกวันเนี่ยก็เอาข้ามาวางไว้แทนของเดิมที่ถูกหนูข้าบไปจ้าจดจอใส่ใจอยู่กับการหุงข้าวมากกว่าหุงไปด้วยก็สวดมนต์ไปด้วยนะอันนี้เป็นธรรมดาของคนชาราในภูธานเนี่ยพอ พายุมากนี่ก็เรื่องไล่นาก็ไม่ทำแล้วบางทีก็เข้าวัดบางทีก็จาริกไปตามสถานที่ต่างๆกลับมาบ้านก็สวดมนต์สวดทั้งวันแต่ก็ทำงานไปด้วยนะทำไปด้วยสวดไปด้วยหล้วจากผ่านไปประมาณ3ามอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยหนูตัวนี้เนี่ยมันพลาดนะ มันคาบข้าวเสร็จมันก็ไปชนกับซีไม้นะก็ทำให้หม้อดินเนี่ยมันตกลงมาครอบนูไว้เด็กเนี่ยซึ่งเฝ้าดูมาสามอาทิตย์แล้วนะรุนมาทุกวันเนี่ยพอเห็นหนเนี่ยติดกับดังนี่ดีใจเลย ตะโกนบอกย่านี่ย่าหนูมันติดแล้วแต่แย่านี่เฉยๆนะทั้งที่ย่านี่ก็รอมาสามอาทิตย์หมอเงินย่าก็ทำงานของตัวเองไปหนะุงข้าวทำกับข้าวไปไม่ไหลยสนใจหนูเลยทั้งที่เป็นคนวางกับดักแท้ๆนะพอหุงข้าวเสร็จ ก, ก็กินข้าวนะเรียกลูกเรียกหลานมากินข้าว ตอนเมื่อกินข้าวเสร็จนะยายจึงนะเริ่มนะขยับนะเอาข้าวนี่ข้าวแห้งเนี่ยนะห่อไปหลานเห็นก็รู้แล้วว่าในยายนี่กำลังจะเดินทางเพราะว่าเวลาจะเดินทางเนี่ยจะต้องห่อข้าวยายห่อข้าวเนี่ยจะเดินทางไปไหนนะ เด็กนี่ก็เข้าดูนะยายทำอะไรยายก็เอากับดักเนี่ยกระดักหนูเนี่ยเทินหัวนะแล้วก็เดินออกจากบ้านเดินไปเรื่อยๆนะออกจากหมู่บ้านไปถึงชายป่าไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเดินต่อไปนะเข้าไปในป่าอาการก็หนาวมากนะ ปูทานเนี่ยช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวด้วยไอลำธารที่ยายเดินข้ามนี่มันกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะโอ้แต่ยายญานี่เร็ยงเดินไปเรื่อยๆนะอายุก็มากแล้วทางเดินก็ลำบากหนาวก็หนาวเทินกับด่างหนูเนี่ยเข้าไปในป่าเดินมา 1-2 สองชั่วโมงเลยนะ เข้าไปทำไมในป่านะในป่านี่มันมีต้นโอ๊กใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะแล้วลูกเนี่ยมันกำลังลูกโอ๊กนี่มัน ก, ล, ล, ก, ก, นนกลังตกลงมานะมีกระรอกมีสัตว์นาชนนดมากินลูกโอ๊กที่ตกพื้นยาไปจุดพออะไรนะเพราะว่า จะได้ปล่อยหนูตัวนั้นนะปล่อยหนูตัวนั้นให้มันได้มาอ่ากินอาหารเจอแหล่งอาหารยายเดินเข้าไปในป่าสองชั่วโมงเดินเก่าไมาอีกสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงนะเพียงเพื่อที่จะปล่อยหนูตัวนั้นให้มันได้กินอาหารที่อุดมสมบูรณ์โอ้เหล่านี้ประทับใจมากเลยนะ ว่าว่ายายนี่มีเมตตานะกับหนูทนั้งีหนูตัวนี้มันก็มาคอยก่อกวนถุงข้าวหรือยุ่งข้าวในบ้านในยายนี่ก็ไม่ได้มีความรังเกียจมันเลยนะกับมีเมตตานะพามาไปปล่อยในที่ที่ดีกว่ามีหาอุดมสมบูรณ์กว่า อั น, นี้ก็เป็นน้ําใจนะหรือความเมตตาของของญาเนี่ยที่ที่เด็กชายคนนี้ประทับใจมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ญาทํานี่มีมากกว่านั้นนะแล้วก็ จ, จะเป็นสิ่งที่เด็กคนนี้ประทับใจเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ญาทําเนี่ยนะ มันคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการ ต, กตักหนูเนี่ยของยาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะปฏิบัติธรรมในเรื่องอะไรในเรื่องการปล่อยวางนะในเรื่องการทํางานอย่างปล่อยวางคือเวลามีปัญหาเนี่ยยายก็ไม่ปล่อยปละละเลยเนะ ปัญหาเกิดจากหนูยายก็ย่าเนี่ยย่าก็ไม่ไปปาแล้วเลยนะก็หาทางที่จะจัดการกับหนูตัวนี้วิธีจัดการคือจับมันให้ได้โดยการวางกับดักแต่วางกับดักแล้วนี่พอทําเสร็จแล้วนี่ย่านี่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะว่า หนูเนี่ยมันจะติดกับดักเมื่อไหร่ก็ทำงานอย่างอื่นไปไม่ได้จดจอไม่ได้คอยรุนนะว่าเมื่อไหร่นะหนูมันจะติดกับดักไม่เหมือนกับเด็กนะเด็กนี่รุนทุกเช้าเลยแต่ย่านี่เหมือนกับไม่สนใจเลยนะคือในเมื่อทำเหตุทำปัจจัยพร้อมแล้วผลมันจะเป็นยังไงก็ ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ยากุมไม่ได้ยาก็รอคอยเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่นะผลมันจะเกิดขึ้นก็คือหนูเนี่ยมันติด ก, กับดักระหว่างที่หนูยังไม่ติด ก, กับดักก็ก็ทำอย่างอื่นไปทำโน่นทำนี่ไป ผ่านไป2อาทิตย์3าอาทิตย์ก็ไม่ได้หงุดหงิดนะไม่ได้ลำคาเลยนะเมื่อไหร่มันจะติดกับดักสักทีอันนี้เป็นการปล่อยวางแบบหนึ่งนะปล่อยวางนี่มันไม่แปลว่าไม่ทําอะไรเลยทําเหมือนกันแต่ว่าทํำกันใจที่นี่คือสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ครบถ้วนส่วนผลสําเร็จนะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็ทาหน้าที่แค่คอยรหล่างที่คอยนี่ก็ไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความวิตกกังวลอะไรก็ทําอย่างอื่นไปขั้นพอจับหนูได้นะก็ไม่ได้ลิงโลดอะไรไม่เหมือนเด็กนะเด็กดีใจใหญ่เลยนะแต่ย่านี่เฉยๆจับได้แล้วก็ยัง รู้ว่าจับได้แล้วก็ยังทาโน่นทํานี่ไปเรื่อยๆแล้วอีกกว่านั้ น, นก็คือจับหนูได้นี่ก็เอาไปปล่อยเลยถ้าหนูเนี่ยนะมันเป็ น, ป น, ปนอุปเป็นอุปมาเมื่อความสำเร็จนะสิ่งที่ยาติทำก็คือว่าคืนความสำเร็จนะให้กลับสู่ธรรมชาติอันนี้คล้ายๆกับที่ ถ้าอจะพูดทาตวานะยกผลงานให้เป็นของความว่างคนเราพอเวลาทำแล้วก็ตามเนี่ยมันจะคอยลุ้นนะหรือมีความวิตกนะว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อไหร่จะสาเร็จอย่างเวลาเราเดินทางเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็เครียดนะว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักที แต่ถ้าเป็นย่าน ะ, ะถึงต่อเมื่อมันถึงระหว่างที่ทาเมื่อทาแล้วนี่ก็ไม่ได้รู้นว่าเมื่ อ, อไหร่มันจะสำเร็จสร้างเห็นสร้างปัจจัยแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่คุมไม่ได้นี่คือการทำงานแบบปล่อยวางอย่างหนึ่งนะคือปล่อยวางในผล สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีส่วนผลนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราคุมไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือรอและพอผลสำเร็จเกิดขึ้นนะก็ไม่ได้ยึดมันถือมาวันนี้นี่เป็นความสาเร็จของกูความสาเร็จของกูแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอทางานสำเร็จนี่มันจะยึดนะว่าเป็นของกูของกู เวลาใครมาแตะเวลาใครมาวิาพากวิจารเนี่ยก็จะไม่พอใจหรือบางทีก็กลัวเขาจะมาแย่งผลงานของฉันไปมีความหวงแหนในผลงานแต่สิ่งที่ย่าทำเนี่ยมันนะมันเป็นอุปมาเลยนะว่าเมื่อทำสำเร็จแล้วนี่ไม่ยึดนะว่าเป็นของเรา จับหนูได้ก็ปล่อยนะคืนสู่ธรรมชาติเวลาเราทำงานเนี่ยนะงนถ้าเราทำงานแบบนี้บ้างเนี่ยมันจะไม่เครียดนะก็คือว่าสร้างอิสร้าปจัจดีส่วนผลสำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลก็เพียงแต่คอยนะว่าผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมีความเครียดมากนะเครียดกับผลเครียดกับความสำเร็จว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งที่มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอํานาจที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้ไม่ว่างานที่ทำนันจะเป็นงานอะไรก็ตามนะ จะเป็นการปลูกต้นไม้ทำสวนจะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดหรือแม้แต่เป็นการเดินทางสิ่งที่เราทำได้คือเดินไปเรื่อยๆส่วนจะถึงเมื่อไหร่นะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่ขนาดเดินทางเนี่ยแม้กระทั่งไปเที่ยวเนี่ยหลายคนก็เครียดนะเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะ หลวงพ่ อ, เ, อเขียนก็ชอบผู้หยุดเสมอน ะ, นะว่าถึงต่อเมื่อมันถึงนะหรือว่าสาเร็จต่อเมื่อมันสาเร็จนี่ก็เรียกว่าเป็นการปล่อยวางนะบางทีเราไปคิดว่าปล่อยวางเนี่ยก็คือไม่ทำอะไรเลยที่ถึงตรงข้ามปล่อยวางนี่มันก็เกิดขึ้นได้พร้อมๆกับการทำงานทําไปด้วยปล่อยวางไปด้วยนะ และพอผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ลิงโลดดีใจแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือว่าเป็นของเราเป็นของเราถ้าเราทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางแบบนี้ได้เนี่ยมันจะเครียดน้อยลงแล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะบาแวงขัดแย้งกับผู้คนน้อยลงที่จริงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันน ะ, ะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติด้วยการ รู้จักปล่อยวางบ้างก็คือว่าเราก็ปฏิบัติให้เต็มที่นะเดินจงกรมสร้างจังหวะนะทำทั้งวันนะทำตั้งแต่เช้านะจนค่ำส่วนผลนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องไปพะวงนะไม่ต้องไปจดจอ่อ แต่ว่าหลายคนทําไม่ได้นะเวลาปฏิบัตินะเจริญสติทันสมาธิไอ้ความเคลียนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเหนื่อยกายนะแต่มันมันเหนื่อยใจว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีหรือเมื่อไหร่สตินี่มันจะเติบโตจนรู้ทันความคิดสักทีแลคอยแต่เฝ้ามองนะชะเง้อหารอว่า เชงื้อหาผลนะว่าเมื่ อ, อไหร่มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างที่ตั้งใจการจลรสติเนี่ยโดยเฉพาะแบบที่หลวงพเทียนเนี่ยมันเป็นการฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางจริงๆนะนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ทําเต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องไปดักจ้องนะไม่ต้องไปดักจ้องว่าออคือไม่ไม่ต้องไปดักจ้องความคิดว่าเนี่ยเมื่ อ, อไหร่มันจะคิดถ้ามันคิดเมื่ อ, อไหร่ก็จะไปตะปบมัน แต่พอมันเผอคิดไปหลายคนก็หงุดหงิดนะคิดอีกแล้วคิดอีกแล้วนะทำไมไม่รู้ทันความคิดสักทีบางคนเนี่ยนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยความคิดมันไม่หยุดยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุนะยิ่ง กดคมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่ใจไม่สงบสักทีสุดท้ายโมโหตัวเองนะเอาลองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองเนี่ยทำไมมันคิดมากเหลือเกินมันคิดมากเหลือเกินนีทั้งที่ปฏิบัติเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อมีสตินะแต่ว่าทําไปทำมาเนี่ยกลับขาดสติกลับไม่รู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เพราะว่าจิตเนี่ยมันไปเพ่งล็งอยู่ที่เป้าหมายมากมันต้องการทําให้เกิดความสําเร็จอย่างที่ต้องการ อันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือการประกอบเพทให้เต็มที่ประกอบเพทขึ้นแล้วก็เดินหรือยกมือนะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ช่างมันนะปล่อยให้สติมันทํางานนะแทนที่จะไปทํางานหรือแทนที่จะไปทํางานแทนสติหรือไปแย่งสติไปแย่งงานจากสตินะ ตรงนี้วางใจยากนะหลายคนเนี่ยเวลาใจมันคิดไปหลายเรื่องหลายราวนะกว่าจะรู้ตัวนี้ก็คิดไปแล้วสิบเรื่องก็ไม่พอใจนะว่าเผอคิดนานไปอยากจะรู้ทันให้ไวกว่า น, นี้ก็เลยไปดักจ้องหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ที่ถูกวคือว่าทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องพยายามที่จะไปดักจ้องความคิดมันเผลอคิดไปสักพักเดี๋ยวมันก็รู้ตัวเองนะเผลอคิดไปสักพักเดี๋ยวมันก็รู้ตัวเองปล่อยให้สติมันทำงานในะหมาๆสติมันก็ทำงานช้าแต่ต่อไปสติก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุมไม่ไดนะ้ผลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้สิ่งที่เราคุมได้คือสร้างเหตุเท่านั้นแหละงั้นถ้าเรารู้จักวางใจแบบนี้นะอ่ะอาการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไม่เพียงแต่ทำให้เรามีสติรู้ตัวได้ไวรู้ทันความคิดได้เร็ว แต่เราจะได้อีกอย่างนึงนะคือการรู้จักปล่อยวางไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะาการรู้จักปล่อยวางเนี่ยเดี๋ยวเาปล่อยวางในผลปล่อยวางมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะบางทีไปนึกถึงการปล่อยวางเรื่องเรื่องยากๆเนี่ยเช่นปล่อยวางตัวตนหรือว่าละความหลงผิดในตัวตน ไม่มีความยึดมั่นหรืออุปทานในขันท่าหรือพูดอื่นคือปล่อยวางขันท่าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้มันมันยากอยู่นะแต่สิ่งที่เราทำได้นะตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือการรู้จักปล่อยวางผลนะทำเหตุให้ดีนะส่วนผลจะเป็นยังไงนะไม่ต้องไปไปจดจอ่อไม่ต้องไปเร่ง เพราะว่าถ้าเราไปจดจอ่อที่ผลอันนั้นเกว่าใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจไปอยู่กับอนาคตเวลาเดินทางเนี่ยถ้าใจเราไปอยู่กับจุดจุดหมายปลายทางเนี่ยเรานี่เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันหรือแม้แต่เวลาทํางานทางโลกเนี่ยทำไปทําไปถึงแล้วเอาแต่บนเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้เราใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตเรามาฝึกสติเพื่อให้ใจอยู่กับปัจจุบัน การอยู่กับปัจจุบันคือการรู้จักวางอดีตวางอนาคตเราจะยังวางขันห้าไม่ได้นะแต่วางอดีตวางอนาคตนี่เราทำได้มันฝึกได้ไม่ยากรวมทั้งการวางผลสำเร็จนะหรือการวางผลที่ต้องการบรรลุอยู่กับปัจจุบันสร้างเหตุให้ดีส่วนผลมันจะเป็นยังไงนะไม่ต้องไปพะวงมาก ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวผลมันแสดงตัวมาเองจเจริญสติไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆยกมือสร้างจังหวะไปเรื่อยๆทำความสึกตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นความคิดได้เร็วขึ้นเดี๋ยวมันก็รู้ทันความคิดได้ไวขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ถ้าเราจะไปพยายามควบคุมให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ใจเราปรารถนา เราก็จะเครียดนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นไปยอย่างที่ใจเราปรารถนาในการเจริญสติเนี่ยเราฝึกปล่อยวางได้ทันทีเลยนะดยการที่เอาใจเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันนะอย่าเพิ่งไปสนใจผลนะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของอนาคตขอยเราอยู่กับปัจจุบัน อันนี้ก็คล้ายกับญ้าหนญะาของคนของคนที่เล่าเนี่ยกับวางกับดักหนูส่วนหนูจะติดเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องที่ญาณคุมไม่ได้ญาก็ทำงานตัวเองไปไม่รู้สึกงุดหงิดที่หนูไม่ติดกับดักสักทีแล้วถึงเวลาที่หนูติดกับดักคือประสบความสาเร็จก็ไมได่ดีใจอะไรแถมยังเอาความสาเร็จนั้นไปปล่อยไปทิ้งไว้ในป่าด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุปมาของการทางานอย่างปล่อยวางนะที่ เราน้าจะเร่รู้ได้